เชเอนเอนเตอร์เทนเมนต์ปูมใจเสนอเรื่องราวแห่งความรักการเสียสละและการให้อภัยแม่เสรียงที่รัก สันอีกนิดนึงนะเอ็กนี่ยเหรอครับพ่อเท้าอืออ่าเดี๋ยวสั้นเกินแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับพ่อเท่าไม่สั้นเกินหรอกนะ่าเชื่อคาเถอะเราต้องเผื่อตอกลงดินอีกนะพ่อเท่าก็รู้แล้วตอกลงดินสักประมาณครึ่งเมตรพอไหมล่ะฮะอือก็น่าจะพอครับก็นั่นแหละเหลื่อยตรงนี้แหละเออรับรองมันกําลังพอดีเชียวแหละอือก็ได้ครับพ่อเท่า พอดีครังหนึ่งจ้าอ้าววิ่งก็คือก็หอบมามีอะไรหรือเปล่าหรือว่าโดนงูฉกมาล่ะแม่พ่อนี่ก็พูดแปลกดีนะจะโดนงูฉกได้ไงเราก็ทําไมจะไม่ได้ล่ะนะในสวนชานะลกจะตายไปงูมันชอบเลื้อยเข้าไปซ่อนตัวยุ่นมากนะเชียวไม่มีหรอกจ้างูกลัวคนให้มันกลัวจริงๆริงเถอะเออพ่อจ้อนี่เลยไม่ไผ่ไปทําอะไรอีกอ่ะพ่อนั่นไงทําไว้กันตรงนู่นไงล่ะ จะเปลี่ยนรั้วใหม่ว่างั้นเถอะเปลี่ยนตรงนู้นหน่อยเดียวเท่านั้นแหละก็ดีจ้ะเอพ่อพ้าจ๋าพ่อเตรียมข้าวให้คุณเทพหรือยังจ้ะเอ็งไม่ได้สั่งให้ไม่ได้สั่งข่าวไว้นี่หว่าเถิดแล้วกันสิจะต้องบอกทุกวันเลยหรืจเจเนี่ยอ้าวข้าก็นึกว่าพันนุ่มนั่นเขาเออเขาทําอะไรเขาเองไหวแล้วนี่หว่ า, าวก็เห็นว่าเดินเหินไปไหนมาไห น, ไหนได้แล้วนี่ไปได้ที่ไหนเล่าเมื่อคืนยังเห็นร้องอดครวนอยู่เลย ออถ้าอย่างนั้นแผลคงจะอักเสบขึ้นมาละมั้งคงอย่างนั้นละจ้ะก็นั่งรดไปกับหมอตั้งนานนี่จ๊ะแผลคงจะได้รับการสะเทือนน่ะอืออืงั้นเองขึ้นไปเตรียมข้าวให้พอนุ่มเขาเถอะไปแ ล, ะแล้วพ่อละจ๊ะข้าทำไม่ละพ่อจะกินข้าวพร้อมกันเลยหรือเปล่าเอาสิอุ่นกับข้าวเสร็จแล้วก็ตะโกนมาบอกหน่อยก็แล้วกันพ่อจะได้ขึ้นไปกินด้วยจ้ะพ่อ เราตลอดไปหรือเปล่าครับน่จะถามทําไมก็ <c oughs> เขาแค่อยากรู้เท่านั้นเองแต่ถ้าอยู่กับพวกเราได้ก็ดีสิครับมันดียังไงวะ <c oughs> ก็ดอยแม่เสลียงของเราจะได้มีคนบังกอกมาอยู่ด้วยยังไงล่ะครับไกลมาเที่ยวที่นี่จะได้เอาคุณเทพมาไปอวดอ้างได้สบายๆ ย, ยังไงล่ะครับ <c oughs> พอเทพเขาไม่ใช่หมีแพนด้าที่มาจากเมืองจีนนะโวย้ยจะได้เอาไปอวดอ้างใครต่อใครเขาได้อะฮะ คิดว่าใช่ไม่ได้เลยครับพ่อเท่าเอ็งจะบ้าแล้วหรือไงเออนี่ไ อ, ค อ, อ้คงอกลับพ่อเท่าเ อ, อ็ง อ, อ, อ, อย่าพูดแบบนี้พอเทพเขาได้ยินเชียวนาไม่เชื่อแล้วก็พอเทพเพราะเอ็งตายแน่เชีวยวนาผมรู้ลลกหน้าป่อเท่าคืนผมพูดไปให้คุณเทพฟังผมก็ตายสถานเดียวนัสิครับเออรู้ก็ดีแล้วเอ้าเลื่อยต่อไปอ่าคุยออไปเรื่อยไปไม่ใช่ออพอได้คุยหน่อยก็หยุดเรื่อยแบบนี้ไม่ไหวนะเว้ยครับค ร, บครบ จะเลื่อยเดี๋ยวนี้แหละครับพอเท่าอา้าวพวกเราเรื่อยต่อแล้วเร็วอึบอึบไอาชาวดอยของเราเนี่ยไม่รู้เมื่อไหร่ไฟฟ้าจะมาถึงนะพอเท่าเนาะเฮ้ยเอ็งอยากได้ไฟฟ้าใช่หรือไงอืมใช่แล้วครับแต่ชาวดอยอย่างข้าหรืออีกหลายๆลายคนหรือทั้งหมู่บ้านนี่เขาไม่ต้องการไฟฟ้าให้เข้ามาหรอกอ้าวทำไมล่ะครับพอเท่าที่ไหนมีไฟฟ้าเข้าไปถึงที่นั่นก็จะทําให้ชาวบ้านปเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอีกเลย คนฝันอ ย, ยากได้นู่นอยากได้นี่ทั้งๆั ท, งที่เมื่อก่อนหน้านี้ไม่มีเครื่องมือไม่มีเครื่องไฟฟ้าใช้มันก็อยู่กันได้ไม่เห็นจะตายอะไรเลยเแต่พอมีไฟฟ้าเข้าไปถึงทําให้ชักขี้เกียจขึ้นมาแล้วไอ้ที่เคยใช้ฟืนใช้ถ่านไม่ใช้กันแล้วเว้ยหันไปใช้แกส๊สนะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ากันหมดแล้ววิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยไม่ดีอกอยู่อย่างนี้แหละส ว, วัสดีที่สุดแล้ว ไม่ต้องมานั่งคิดหาเงินกันจนหัวปันเอ็งเชื่อข้าสิไอโคงเอ็งอย่าฝันไปนักเลยเว้ยเรื่องไฟฟ้านะ่ะถึงแม้ว่าไฟฟ้ามันจะมีคุณประโยชน์อยู่เยอะมากก็ตามทีแต่บนดอยอย่างที่นี่นะไม่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้ากันหรอกเชื่อข้าถูกวะพวกข้าต้องการรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้นานเท่านานนะโว้ยอย่างเช่นชุดดอยที่พวกเราใส่อยู่เนียน่ะเหรอพ่อเท่าถูกต้อง มันเป็นชุดประจําหมูเห่เฮาชาวดอยแม่เสเลียงแท้ๆนะเออชาวดอยที่อื่นเขาก็ไม่ได้ใส่เหมือนพวกเราหรอกแตกต่างกันออกไปใช่ไหมครับพ่อเท่าใช่เออเอาละเรื่อยเสร็จแล้วทีนี้ก็ช่วยกันแบกไปข้างในรั้วน่นะเดี๋ยวจะได้เปลี่ยนเอาของใหม่ไปแทนเอาของเก่าออกไปเลยครับพ่อเท่าเอาาเอไม่ดีก็ตนูนตคุยนะเอ้ย รับฟังรายการละครวิทยุแม่เสเรียงที่รักนำเสนอโดย Nation Entertainment อ ย, อยังนี้เธอคงมองสึงถึงใบตุ้ยเธอคงมองสึงถึงความหวังดีที่มีรือ่อยม สายตาเธอมองไม่สื่อถึงความบูชาว่าฉันศรัทธาเพียงใดน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังก่อนแอบหัวใจอ่อนอ่อคงเธอทำดูสิ่งใดช่นงไม่สัททบสถานสะเทือน ใครเขารักเขารอจินลมลมหายใจของฉันเมื่อไรเธอคงจะตอรู้ว่าใครอใครกันมีรักมีรักเพียงพอใกันรอแล้ ว, ล ว, ลวยัง ของฉัน อาจเป็นฝนที่หนาวเน็บฉันก็ยอมเสียงเพียงได้เจอรักแท้ฉันเน็บนาวเท่าไรไม่กลัวจะเปียกฝนเท่าไรก็ยอมฉันหวังแค่ให้มีคน I o v e s t i n g h t h e r e so e x c i d I a n t e you e a h m a t w bad d i e with r Thank you. เปลี่ยนฝนเท่าไรก็อยอมฉันหวงแค่ให้มีคนที่ฉันรอกยืนคอยตรงนั้นก็ชื่นใจอยากมีรักจริงๆสักทีไม่ว่าร้ายหือดีฉัน คนมากมายอยู่ในความทุกข์ใจทั้ทนที่ใจของเขารกกันรักอเป็นความสวยงามที่คมีฝันแ ล, แลว น, นงกับพังลา คือของฝันจะฝาหรือคือคำสาคือยาดฝนชำเย็นหรือร้อนเป็นไฟอยากจะรู้ว่าคือ รักเธอึงเป็นเช่นไรเยิงคงไม่รู้ม่เคยทู้ใจนั่นคือความรักใช่ไหมที่ส่อนสุอทุกอย่างคือความรักใช่ไหมที่ลบเลือนทุกสิ่งและทำให้ใจ ตัวเราได้ทลายหมดทุกทุกอย่างไม่เหลือ สายคือหยาดฝนช่ำเย็นยรู้ร้อนเป็นไฟอยากจะรู้ว่าคืออะไรนั่นคือความรักที่ไหมที่ว่าทรอยยิ้มได้คือความรักที่ไหม นร้องไห้ความรักแท้จริงเป็นเช่นไรดังคงไม่รู้มิเคยกูใจนั่นคือความรักใช่ไหมที่ ส, สร้างทุกอย่างคือความรักใช่ไหมที่ลบเลือนทุกสิ่ และทำให้ใจตุ่งร้าวรายทำลายหมดทุกทุกอย่างไม่เหลือเลยทำลายมดทุกทุกอย่าง รับฟังรายการละครวิทยุแม่เสเรียงที่รักนำเสนอโดย Nation Entertainment คะ่ะอ๋อศิลาเธอกลับมาแล้วเหรอค่ะอยู่หรือยังคะกริดต่อหน่อยนะจะมาทนได้อยู่งั้นรอเดี๋ยวนะฉันจะอุ่นกับข้าวให้คุณกินนะ่ะขอบใจมากเออศิลาจ๊ะจ๊ะแล้เดี๋ยวเธอยังจะต้องออกไปเก็บใบชายหรือเปล่าเนี่ยเก็บเสร็จตั้งหน้าแล้วล่ะอ้าวแล้วทำไมถึงกลับมาก็เก็บผ่าเก็บอะไรต่อไม่อะไรให้ไงอ๋อแล้วเดี๋ยวพอกินข้าวหิวแล้วก็ไปต้องไปไหนล่ะสินะใช่ไหม ก็ไม่ต้องละถามทําไมหรอก็ฉันรู้สึกเบื่อๆเซงเซงยังไงก็ไม่รู้อ่ะนั่งๆนอนๆอนนะสิท่าใครว่าล่ะฉันนั่งอ่านคระพี้แล้มนี่ตัางหากล่ะฮะคุณเทพจีบมาอ่านแล้วจริงๆเหรอเนี่ยอ้าวก็จริงนะสิแล้วคิดว่าคนอย่างฉันไม่เคยสนใจเรื่องศาสนาอย่างนั้นเหรอเปล่าลอกก็แค่รู้สึกว่าคุณเทพอาจจะยังไม่มีอารมณ์สนใจก็ได้อ่านไปเยอะแล้วล่ะเป็นยังไงบ้างล่ะ ถามคนรู้สึกฉันน่ะเหรอยะ <Yeah. S 1> รู้สึกดีชอบเลยนะจริงเหรออืมถ้าอย่างนั้นวันคริสต์มาสที่จะถึงเนี่ยคุณเทพก็ไปเข้าคริสตได้แล้วสิเธออยากให้ฉันเข้าศาสนาคริสต์ด้วยไหมล่ะถามใช่เหรออืมก็อยากะนะแต่ว่าฉันไม่ได้บังคับใจิตใจคุณนะเรื่องเนี้ยมันขึ้นอยู่กับความสมัครใจของคุณเองศาสนาทุกศาสนาเนี่ยสอนให้คนทําความดีดําเนินชีวิตไปตามแบบอย่างของคนดี ไม่ออกนอกกลู่นอกทางไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นนะ่อืมแล้วคุณเทพล่ะจ๊ะฉันทําไมเหรอตัดสินใจได้หรือยังก็กําลังตัดสินใจอยู่จ้ะโอกาสจะมานับถึงคริสเนะ่ะมีแค่ไหนละ่ะก็ห้าสิบพันสิบแล้วละ่ะจริงเหรอจริงสิดีใจจังเลยอะ่ะแล้วอีกห้าสิบคุณเทพลังเลยใจเรื่องอะไรเหรอเรื่องแรกก็คือว่าฉันจะได้อยู่กับเธอที่นี่ตลอดไปหรือเปล่าหมายความว่า ถ้าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันคุณเทพก็จะไม่ถือจะไม่นับถือาศาสนาคริสต์อย่างนั้นหรือไงอ่ะก็ไม่เชิงสัทีเดียวนะแต่ถ้าอยู่ในสังคมนี้ก็ควรจะเดินไปในทิศทางเดียวกันทําอะไรก็จะได้สะดวสบายทั้งสองฝ่ายถูกต้องไห ม, มก็ใช่อ่ะค่ะแต่ถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันฉันกลับไปกรุงเทพเพื่อนๆ น, นับถือาศาสนาหนึ่งฉันนับถื อ, อาศาสนาหนึ่งเนี่ยเราจะเป็นยังไงอ่ะก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยนี่ต่างาศาสนา ก็สามารถอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนใหญ่ได้นี่ก็ได้ปฏิว่าไม่ได้พี่แตว่าอาจจะมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันไปเท่านั้นเองแตกต่างยังไงอ่ะก็อย่างเช่นเวลาจะมีกิจกรรมทางศาสนาก็ทําให้เหมือนกันแล้วจิม่ายยยยยตัวอย่างง่ายๆเลยนะเนี่ยก็จริงอย่างคุณเทพว่านะคะแต่ก็อยู่ด้วยกันได้ก็ใช่ไงปฏิถิงว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้ซะหน่อยถ้าคุณเทพอยู่ที่นี่ได้แล้วก็จะวิเศษมากๆเลยค่ะ เธออยากให้ฉันอยู่ที่นี่จริงๆเหรอจริงสิคะไม่จริงมะแล้วกันสิทําไมถึงคิดว่าไม่จริงล่ะก็เธอชวนทะเลาะทุกวันนี่นานั่นเหมือนเมื่อก่อนนี่เมื่อก่อนทําไมถึงชวนทะเลาะกับฉันน่ะอืมอยากรู้จริงๆเหรออืมอยากรู้บอกหน่อยได้ไหมเพราะว่าหมันไส้คนเรื่องมากอย่างคุณน่ะสิฉันน่ะเหลอเรื่องมากก็ใช่อ่ะสินี่คุณแท้ยังไม่รู้ตัวอีกแล้วว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเรื่องมากที่สุดในโลกเลยอย่างนั้นก็มีได้อย่างนี้ก็มีได้ ตีพิสัทุกเรื่องเลยนะเนี่ยอุ่นเทพอ่ะอย่าชวนคุยนะฉันจะเข้าไปอุ่นกับข้าวละจะๆๆปาริจ้ามื้อนี้นะจะกินไม่กรงใจใครเลยเอา้า กินเยอะๆนะพ่อเทพนะออครับพ่อเท่ารู้สึกดีขึ้นไหมล่ะครับดีมากๆเลยฮะข้าดีใจนะที่เองปรับตัวเองเข้ากับที่นี่ได้ที่แรกก็ยังวันวันใจอยู่เลยว่าเองจะอยู่ไหวไหมเนี่ยถ้าดูท่าทางของเองแล้วจะไม่ชอบที่นี่เอาซะเลยเห็นอะไรต่อมืออะไรก็ดูขวางหูขวางตาไปสมบศ์เลยข้าพูดถูกไหมครับพ่อเท่าอยู่ไปรู้สึกชอบที่นี่ นักดอยแม่เสเลียงได้แล้วล่ะครับงไงนางลูกสาวพ่อเฮ้ยไม่เลยจ้ะพ่อได้ยินพ่อเทพก็พูดแบบนี้ดีใจหรือเปล่าละ่ะไม่ค่อยอยากจะเชื่อลมปากของคนบางก่อนนันกหรอกจ้ะพ่ออ้าวอ้อนี่ไหนไม่ว่ากันแบบนี้ <c oughs> พูดแบบนี้เชคสียหายหมดแล้วสิก็เป็นจริงไม่ล่ะไม่จริงอ่ะไม่จริงเลยฉันขอฉีกหัวฉันฝาเลยจริงแท้แน่นอนจริงยังไงอ่ะอ้าววันก่อนยังพล่ำอยู่เลยว่า ที่นี่นะสกระปรกละกรุงรังเหมือนรังหนูไม่เห็นจะน่าอยู่ตรงไหนเลยมาวันเนี้กลับมาบอกว่าอยากอยู่ที่นี่ใช่แล้วไม่รู้ว่าสมองกำลังคิดเจ้าเล่ห์เพทุบายอะไรอยู่กันแน่แ น, นี่พูดแบบนี้จะเสียหายแย่แล้วนะเนี่ย <c oughs> ก็มันเรื่องจริงนี่เออพอาะเท่าครับืช่วยผมด้วยฮนะผมถูกใส่ร้ายใครใส่ร้ายคุณนีม่มีสักหน่อยก <c oughs> ็เธอนั่นแหละชะ่เหมือนไส้ในเชียคุณปากหวานก้นเปรี้ยวแท้ๆโทนี่ ผมโดนว่าอีกแล้วนะพ่อเท่า <laughs> คุณได้รับข้อคิดอะไรบ้างจากการรับฟังละครที่จบไปแล้วนี้โปรดเขียนไปสนิยบัดหรือจอดหมายแสดงความคิดเห็นของคุณมาถึงเราที่ตู้ปอนอสิบ